เป็นวันฟังธรรมะเป็นวันสร้างบุญสร้างกุศลในวันพระธรรมชวนะทุกวันพระชาวพุทธอย่าได้ขาดประกาศตอนเป็นอุบาสกวนอุบาสิกา <c oughs> ใกล้ทาในประวรพระพุทธศาสนาตลอดรายการมาตามอันดับแต่เราไปที่นาซิ่ดายนมาก ว่าไทยชาวพุทธมาจากกำเนิดเกิดมาจากครพาพาผู้มารดาตั้งแต่ปูย่ย่าตายายประเพณีของไทยเดิมวอ น, นับถือพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติทั้งบริโมพีรพระทุนพานเจ้า ก, ก็ต้องเป็นพุทธมามะกะในพระพุทธศาสนาด้วยนอกเหนือจากนั้นจะต้องมีสาจะเป็นสาสนุประธรรมพยกยองพระพุทธศาสนาเช่นอยู่กัน ในหลักการมานานแล้วเรามีพูดศาสตรนาเป็นศาสตร์ชนะประจำชาติไทยมานานแล้วแต่เป็นหน้าสี่ใดที่มีศาสนาประจำจิตประจำใจประจำหมู่ประจำชนะประจำครอบครัวของเราในบ้านมีทั้งพ่อพระแม่แพระในบ้านมีทั้งอยู่เย็นเป็นศุกร่างความสนุกในสังคมด้วยธรรมะและคุณค่าชีวิตไม่พลาดผิดในสังคมนั้น ไม่เยมากหน้าดูกันแต่เป็นที่เสียดายเชียจจกลับตรงกันข้ามหน้ามือเป็นหลังมือคนยุคใหม่สมัยโลกาพิวัตแต่ไม่พิวัต์ไม่พัฒนาลับเรวลวไลในสังคมมากมายจะเป็นหนุ่มและเป็นสาวหน้าขาวขาวในสังคมขาดการเคารพผู้ใหญ่สองไม่มีระเบียบวินยัย สามประเพณีวัฒนธรรมของชาติก่อสูงไปแล้วไล่ประเพณีไล่วัฒนธรรมกิจกรรมก็ไม่เป็ประโยชน์แล้วดังที่กล่าวแล้ว <c oughs> นี่เป็นที่สัจจีดาเรามีของดีประจําชาติก็คือศาสนาประ จ, จําจทำอะไรก็ประจําเหตุประจําผลมีต้นมีปลายมีผู้น้อยมีผู้ใหญ่การเคารพผู้อใหญ่เป็นระเบียบแบบแผนทําให้เราเกิดวินัย ทำให้เราเกิดวัฒนธรรมองชาติแ้่ก็คุณล้วชมบัติเดี๋ยวนี้มันหมดไปเพราะเด็กรุ่นใหม่ไม่เครารพผู้ใหญ่ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์แล้วออกไปนอกรูนอกทางนี่หรือโลกาพิวัตไม่มีความเจริญในโลกแต่มันมีความเจริญในอบายมุขหาความสนุกในสังคมหันหลังเข้าวัดหันหน้าเข้าเวกหาชีวิตจังไสไม่ได้ ไม่ตำมัวเมาแลมัวหมองลระครอง ไ, ไม่ได้อย่างกล่าลวเลยไม่ต่กิเลสนานาประการท่านพุทธศาสที่กระชนทั้งหลายวันนี้เป็วันพระเมื่อก่อนนี้วันพระคนจําแม่นจำตั้งแต่เป็นนักเรียนเด็กๆอาตมาผู้หนึ่งเรียนหนังสือวัดเพราะวันโกรต้องเก็บโตะ๊ะเขาจะทําบุญกันในวันพระเขาจะมีงานศบกันก็เก็บโตะ๊ะเก็บเก้าอี้เก็บกระดานดํา มีงานหมวดหน้าก็ต้องเตะโตะจึงรู้ว่าเขาวันทําบุญวันพระเขามาทําบุญการข่าวขานแกล้งโถมาวัดสถดับพระธรรมรเทศนามันฝังแน่นมาตั้งแต่เป็นเด็กเดี๋ยวนี้เด็กโตก็ เ, เป็นโดมเป็นขาวหน้าเขาขาวในสังคมไม่รู้จากคำว่าวันพระในปฏิทินไดอารี่ก็ไม่มีวันพระเลยไม่มีข้ามขึ้นคําแล้วจันทรคติบางเล่มไม่มีเลยไม่แต่วัน อาทิตย์จานทคารพูดประหาบสุกเฉ้าวันที่ห น, นึ่งถึงสิ้นเดือนนี่แหละมันก็กลับกลายไปตามสภาพแล้วอะไรจะฝังแน่นหนาะในชื่อจิตใจคุ้มทัดขอ ง, ของโมโอกาสไปแน่นอนแล้วเลยคนโตไม่จำต้องเด็กแต่พ่อแม่ก็ยังลืมวันพระไม่รู้วันพระเขาเป็นวันอะไรวันสร้างบุญทำให้เกิดพระให้ในใจ วันพระเราต้องเว้นสร้างความชั่วสร้างตัวให้ดีมีสังคมในจิตใจด้วยเมตตาปราณีอรีเ อ, อเื้อเฟื้อขากเหลือกันคอยดูกันเป็นสายสัมพันธ์ของบุคคลผู้มีคุณธรรมและมีคุณภาพในวันพระพระมาก่อนเนี้ยปูย่ย่าตาชั่วเราเรียนหนังสือสลาวัดตลอดโดยการเต้นใหญ่เป็นโตก็อาศัายสลาวัดเป็นสลากกา ร, ปรเปรียนต้องเรียนหนังสือที่สลาวัดเดี๋ยวนี้โรงเรียนก็แยกออกไป เด็กก็ไม่ขาวัดพ่อ พ, อพอ่แม่ก็ไม่พาเด็กมาวัดมาวาแต่ประการใดจะจําเป็นต้องมาเรียนหนังสือที่สลาวัดก็ต้องเข้าวัดแต่โรงเรียนไม่มีในวัดในสลาวัดมันก็ออกไปนอกประเด็นนี้เป็นการเทคโนโลยีในการปฏิบัติหน้าที่ยุคใหม่โลกาภิวัตเจริญโลกหมุนเวียนไปสู่ไว้ใจสดและหมุนเวียนไปสู่ความตายไว้ใจสดนี่แหละมันไว้ไว้แวบ แวบไวทั้งฟ้าทั้งแหลบฟาแหลบแหลบแบคนเราก็แหลบแบคนเราก็ฉับไปฉับมาเฉียบไปเฉียบมาช้อปปิ้งที่โนนช้อปปิ้งที่นี่ตลอดรายการมันก็เฉียบไนด้วยโลกาแปลว่าโลกมีความเจริญแต่พิวัติไม่พัฒนาตอนเจริญแต่โลกแต่ไม่พัฒนาจิตใจจิตใจก็เรวลงไปสู่ความโลภความโปรอความโลน ตลอดรายการไหนเลยนอาจะพุทธโล ย, ยีที่จะแก้ปัญหาสร้างความดีในสังคมนั้นไม่มีแล้วคนเราขาดการน้ำใจขาดกาหนดจิตขาดน้ำใจชุ่นะ่าเป็นภัยต่อสังคมเป็นภัยต่อเหตุการณ์มากายเราท่านทั้งหลายถ้ามีน้ำใจนะมีน้ำน้ำใจน้ำไม่แห้ง มีน้ำใจทั่วไปน้ำในองค์ในตุมก็ไม่แห้งน้ำปราปาก็ไม่แห้งนีแหละเราขาดน้ำหนอกน้ำในขาดน้ำใจซึ่งชีวิตขาดคู่เคสชีวิตเรายังอยู่ในสังคมทุกวันนี้นี่ประโยชน์เป็นประการได้อัญชาทุฑชนพุทธบริานาทั้งหลายตดทิดว่าโลกาพิวัฒพัฒนาโลกพัฒนาโลกอย่างเดียวแต่จิตใจมันเลวลงไปไม่มีการพัฒนาจิต ชีวิตไม่แจ่สายชีวิตจะอาบเฉาอาบจนจะสวดมนต์ภาวนาก็ไม่เป็นเจ้าเทศส่จงกุศลก็ไม่เป็นแผ่เมตตาก็ใช้ไม่ได้ทำไมโบราณเนี่ยเขาให้แผ่เมตตาตอนตื่นนอนจะได้โลกสว่างจะได้ไปทํานามโลกโลกวิทูรู้แจง้งโลกโลกจะได้ไม่ติดบางอําพรางให้แผ่เมตตาตอนตื่นนอนว่าโลกมนุษย์นี้เต็มไปด้เมตตาปลาหนีอาลีเอื้อเฟื้อขกาเฟือขอยดูกัน ตอนจะหลับจะนอนนอนหลับก็เป็นฉกเติมก็เป็นฉกก็ต้องแผ่เมตตาก่อนนอนหลับนอนหลับก็ไม่เป็นอันตรายไม่ฝันร้ายแตประการใดก็เกิดผลงานขึ้นมาแต่ตัวของท่านเองโดยเฉพาะอย่างนี้เป็นตน้นอันนี้มีความหมายมากการด้า น, นการเจริญกรรมฐานก็ตามต้องการมาปฏิบัติธรรมด้วยการพัฒนาจิตนั่นเองในเมื่อจิตดีแล้วก็ต้องพัฒนา พัฒนาวิชาความรู้ในด้านการศึกษาทุกประการตามคําสอนของพระพุทธเจา้ใาใว่าพัฒนาการศึกษาดีแล้วก็ต้องพัฒนาเศรษฐกิจประกอบอาชีพการงานอย่างสมส่วนและกลนกันแล้วก็มีวิชาความรู้จะได้ประกอบอาชีพการงานด้วยการพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาสังคมต่อไปวันนี้จะให้คติเรื่องโลกปลดหลงให้ท่านทั้งหลายฟังว่าเรามานั่งปฏิบัติกรรมฐาน จะได้แก้ไขปัญหาความโลภความโกอดความหลงพวกเราได้อย่างไรขอติดตามฟังติดไปณโอกาสบัดนี้ขอเจริญพรเจริญสุขโดยทั่วกันณบัดนี้ตั้งใจฟังคําว่าชาวเราจะพัฒนาตรงไหนมีโลภมีกรดมีหลงแต่เรามาเจริญสติปัฏฐานสี่นั่งกรรมฐานจะรู้ว่าโลภกรดหลงมันเป็นอย่างไรความโลภเป็นอย่างไรความโกรธป็นอย่างไรความหลงเป็นอย่างไรดังนี้ พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าโลเพนะชาเยเต อ, อเตเตโทเสนะนิระยังคเตอโมเหนะติรักฉานะคโยนีติโลกปรดหลงสามเรื่องเราที่มาเปลี่ยนเวลาเรามาเจริญกรรมฐานจะพบว่าความโลภเป็นอย่างไรความโปรดมันมีลักษณะประการใดความหลงมงมงายเป็นประการใดคนที่นักธรรมะเขาไม่หลงมงมงาย เขาจะไม่หลงเข้าไปสู่โจทย์มู่หมายครับความคําคว่างมงายมีความหมายมากอยู่ในพุทธทาสเที่ยวุกข์เจ้าแต่สอนไว้ชี้แจงไว้ทุกประการเรื่องที่หนึ่งโลเพนะชายเตะนะั้นเตเ ต, ะตจะเกิดเป็นเปลืคือเรามานั่งปฏิบัติความโลกเกิดไม่กําหนดึกกลับไปเกิดเป็นเปลืโหชาก็ไปเกิดลงนรกโมหะ ก, ก็ไปเป็นสารเดรัจฉานชัดเจน ชายาเตเปเตจะเกิดเป็นเปลเือเบื่องนาคโลภะก่อเพราะอาศัยความโลภเรื่องที่สองโทเสนะนิรยานคาเตาจะไปสู่นรกก็เพราะโสนะโทสะโทสะเรื่องที่สามโมเหนะตีระฉานะาย โ, ยโยนิจะเกิดเป็นสัตว์ตีระชานก็เพราะโมหะความหลงเนื่องจากเรื่องที่สามนี้ล้วนแต่ให้โทษให้ทุกข์ เป็นอันมากดังนั้นสมเด็จผู้มีประภาจาทรงสอนให้หละเสียงท่านทั้งหลายก่อนที่จะได้บรรยายความตามพุทธภาสิตนี้ทั้งสามนี้จะขอถือโอกาสทำความเข้าใจกับผู้ที่ฟังผู้ปฏิบัติธรรมเลพกน้อยก่อนด้วยว่าทางบ้านเมืองทางราชการหรือรัฐบาลอาจะจัดให้มีการอบรมปฏิบัติธรรมตามนโยบายพัฒนาจิตข อ, ของของสาขารัฐบาล ต้องการให้ประชาชนเข้าหาธรรมะธรรมโมมีตเปนแผนของรัฐบาลต้องการให้ปฏิบททัติธรรมกระจุกประสงค์ก็เพื่อจะให้อ่าให้สินธรรมแพร่หลายเข้าไปสู่จิตใจของประชาชนเป็นแผนงานของรัฐบาลก็จิ้นอยู่เพราะจะหนักดีว่าโลกลมเย็นเป็นสุขเพราะสินธรรมแต่เจตนาลมนี้ของทางบ้านเมืองที่วางแผนรัฐบาลวางแผนอบรมนั้น จะสมมิผลได้ก็ต้องเคราะหประชาชนสนใจต่อการปฏิบัติธรรมคือจะต้องปฏิบัติให้ครบวงจรทั้งสามคือตั้งใจฟังด้วยดีหนึ่งสองตั้งใจจําด้วยดีหนึ่งสามตั้งใจปฏิบัติด้วยดีเมื่อครบวงจรทั้งสามประการนี้แล้วก็จะกลับมาเข้ากับหลักที่ว่าสุดสูสังรัพพะเตปุ ญ, ญ่าง คุณอาปาพระละพเตปัญญาฟังด้วยดีย่อมได้กเกิดปัญญาแต่ถ้าพลาดจากหลักเหล่านี้เนี่ก็จะกลับมาเข้าสู่กับหลักที่โบราณท่านว่าตัดน้ําตัดน้ําลดหัวเสาคนตะแพทย์ตัดน้ําลดหัวเสามีมากเหลือเกินหน้าที่ได้คือธรรมดาเสามันเป็นไม้ที่ตายแล้วเสานี่มาเป็นไม้ที่ตาย ถึงจะพยายามเอาน้ํารดให้มากเพียงใดก็ตามเสาหนั่นก็ไม่มีวันที่จะผลิดอกออกใบให้ได้เหมือนกับผู้ที่ฟังเทศฟังธรรมโดยไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติแม่จะฟังตั้งร้อยการพันกันฟังกี่คำพีก็เอาดีไม่ได้ไม่ได้เนี่ยแต่ก็หวังใจว่าท่านทั้งหลายคงจะไม่ยอมเป็นเสาแน่ๆท่าคนคงไม่เป็นเสา จะต้องเป็นต้นไม้ที่พร้อมที่จะรับน้ําอยู่ตลอดเวลาใช่หรือไม่ประการใดถ้าท่านไม่ต้องการรับน้ำไม่ต้องการรับพดพ ด, พ ด, พ, ด, พ, ดพดเพทนาท่านก็เป็นไม้ตายเดี๋ยวนี้ไม้ตายมากมายอยู่ในตัวคนทางนั้นไม่ใช่อยู่ที่อื่นจะประการใดคนลดน้ําก็จะชื่นใจหายเหนื่อยทางบ้านเมืองก็จะปลื้มใจที่สมยางเจตนารมณ์ของรัฐบาลดังที่กล่าวแล้ว หนึ่งละจากโลภะคือโลกเมื่อทำความเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ติดตามฟัง ก, การตั้งต่อไปนี้ย่อๆในความในเวลาจำตักวันพระอันดับแรกจะว่าโดยเรี่ยงที่ควรจะละได้ได้แก่โลภะคือความโลภกามพระบาลีที่ว่าโลเพนะชายเตเปเตจะเกิดเป็นเปลดิดกเพราะความโลภ เมื่อเพื่อยืนยันความข้อนี้ก็จะขอถิ้งโอกาสนำเรื่องมาเล่ายอ่ยออให้ฟังประกอบเสียก่อนตอนหลังจากได้อธิบายถึงลักษณะของความโลคว่ามีลักษณะอย่างไรเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้มีมาในคมพีภูมิวิลาลีมีใจความว่าเมื่อพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าุทธะประทับอยู่ที่พระมหาวิหารพร้อมด้วยพระสงฆ์เป็นจานวนมากครั้งนั้นพระเจ้าพิมพิสาร จะถือคำเนิดเป็นขุนคลังทำหน้าที่จัดอาหารถวายพระสงฆ์โดยมีพระพุทธเจา้ามีพระนามวัปุสะเป็นประธานแต่เนื่องด้วยพระสงฆ์มีจํานวนมากขุนคลังจึงไปขอร้องให้พวกญาติญาติของตอนมาช่วยการจัดอาหารแต่เนื่องจากญากบางคนโลภอยากโลภในอาหารบบริโภคอาหารก่อนพระสงฆ์บ้าง บางคนก็สรงไปให้บุตรภรรยาสามีทางบ้านบ้างเอาไปแบ่งให้กินก่อนที่จะถวายพระบ้างพวกนี้เมื่อตายไปแล้วก็ไปบังเกิดในนรกเมื่อพ้นจากนรกแล้วก็มาเกิดเป็นบาลัตทัตตูปชีวิเปลส่วนขุนคลางนั้นในชาติดท้ายก็ได้มาเกิดเป็นพระเจ้าพิมพิสารพระองค์ทรงเลี้ยงสยในบรวรพระพุทธศาสนาได้ทรงบำเพ็ญบุญกุศลอยู่ตลอดเวลา และได้ทรงข้างวัดเวรุวันอวายพระพุทธเจ้าด้วยวัดนี้แลนี่แหละเป็นวัดแรกในพระพุทธศาสนาเรียกว่าวัดเวรุวันคืนวันหนึ่งขณะที่พระองค์กําลังบรรทมหลับเสน็จอยู่ก็ต้องสะดุ้งตกพระทยัยตื่นขึ้นเพราะได้ยินเสียงร้องอย่างโหยหวนของเปลตจึงเรียกสเสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจา้า แต่้าตรูนำเอาเหตุการณ์ที่พระองค์ได้ประสบนั่นขึ้นทูลถามแล้วพุทธเจ้ารับสารว่านั่นคือเปรตมาขอส่วนบุญเพื่อความพ้นทุกข์ของขั้วเขาและพระองค์ก็ทรงแนะนําวิธีที่สามารถพระช่วยเปลีสามารถจะช่วยเปลีเหล่านั้นให้พ้นทุกข์ได้โดยทรงแนะว่าขอให้พระองค์บําเพ็ญบําเพ็ญบุญ ถวายทานมีข้าวมีน้ำมีผ้าเป็นต้นแล้วแล้วก็ตรวจน้ำอุทิศบุญไปให้แปรเหล่า น, น, นั้นก็จะพ้นจากทุกทั้งหลายได้พระเจ้าจพิมพิสารจึงถือโอกาสอารัตนาพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยจะสองไปฉันพัตตาหารที่พระราชวังในวันรุ่งขึ้นหลังจากที่ถวายพัตตาหารเสร็จแล้วถวายจะถูกปัจจัยเยทานมีผ้าเป็นต้นแล้วทรงตรวจน้ํา ตามบทที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำว่าอ no, ีทางโนยารตินาโงตูสุกิตาโวนตูยาตะโยแปลว่าขอส่วนทานอันนี้ทรงสมเมิดแก่หมู ญ, ญาติของข้าพเจ้า้วยเถิดขอหมูญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าทรงเป็นสุขเป็นสุขเถิดในทันใดนั่นเองเปลืทั้งหลายเหล่านั้นก็เปลสภาพเปลี่ยนล่างเป็นเทพประบ และเทพปฏิดาสมบูรณ์ด้วยข่าวน้ำเคลือกนุ่งหอมและวิมานซึ่งล้วนแต่เป็นของเทพทางนั้นเรื่องที่แสดงมานี้สรุปแล้วก็มีคติเป็นสองอย่างคือหนึ่งแสดงโทษของความโลภและสองแสดงอนุภาพของบุญว่าสามารถจะช่วยผู้ตายให้พ้นจากความทุกข์ได้สมกับที่ว่าปุญญานิปโลกัมิงปฏิถาวนติปาตินังปาณินังบุญที่เป็นที่พึ่งของจักรโลก ในโลกหนาระดับของความอยากจะกล่าวถึงระดับของความอยากนั้นต่อตอนี้ไปจะได้ชี้แจงถึงเรื่องโลภะความอยากว่าอยากขนาดไหนจัดเป็นโลภะอยากขนาดไหนยังไม่ถึงขั้นโลภะปูนาอยากเข้าใจไขเขวยไปเลยว่าขึ้นชื่อว่าอยากแรมจะต้องเต้นให้เป็นโลภะไปเสียทั้งนั้นซึ่งยังมีบางชาติเข้าใจคัาดเคลื่อนอยู่บ้าง ที่จริงความอยากนั่นที่เห็นกันในงานรู้ ก, กันทั่วไปท่านจัดไว้ถึงห้าระดับดังต่อไปนี้คือหนึ่งลติแปลว่าความชอบใจสองหิจฉาแปลว่าความอยากได้สามไม่หิจฉาแปลว่าความอยากใหญ่สี่ปาปิดฉาแปลว่าความอยากได้โดยวิธีเร็วๆห้าโลภะแปลว่าอยากความอยากได้โดยวิธีทุจริตเหตุิ้งทับ มีห้าระดับด้วยกันอย่าอย่าจำไข่ขวยอย่าแปลว่าโลภะทั้งหมดไม่ได้ต้องแปลไปห้าระดับนต่อไปนี้ละตีความชอบใจอธิบายว่าละตีที่แปลว่าชอบใจนั้นเช่นเห็นของ ส, สวยงามามถูกอกถูกใจก็เกิดความชอบขึ้นตัวอย่างเช่นเห็นเสียภา ส, สวยรถยนต์คันงามามก็ชอบใจนี่คือลตี แปลว่าลัตติสองอิจฉาวความอยากได้อิจฉานั่นหมายถึงความอยากได้คืออยากได้สิ่งที่ชอบนั่นเองถึงเข้าใจว่าอิจฉาในที่นี้แปลว่าความอยากได้อยากมีไม่ใช่ลิชยาอย่าเข้าใจผิดตอนอิจฉาตัวนี้อธอริยจยิพัฒปัจจัยตุโอแปลว่าอยากคืออยากมีไม่ใช่ลิชยา ซึ่งมาจากศัพท์ว่าอิจฉาอิสาคือเห็นเขาได้ดีทนอยู่ไม่ได้ทนอยู่ไม่ได้ไม่มหิจฉาความอยากใหญ่ม่หิจฉาแปลว่าความอยากใหญ่ส่วนม่หิจฉาแปลว่าความอยากใหญ่นั้นตรงกับที่ชาวบ้านเรียกกันว่าคนมากๆคนรู้มากคนเห็นแก่ตัวคนเอาลัดเอาเปรียบบุคคลอื่นต้องแปลอย่าง ตัวอย่างเช่นคนที่เข้าไปรับแจกหนังสือในงานโดยตัวอย่างที่วัดไปรับแจกหนังสือในงานเวียนรับเสียตั้งสองสามเที่ยวนี่แหละคนมากมากเที่ยวเดียวยังไม่พอเอาสองเที่ยวสองเที่ยวไม่พอเอาสามเที่ยวคนมากมากเวลาทํางานก็เถียงให้เพื่อนทําไปส่วนตัวเองเที่ยวไปเที่ยวมานี่คือคนรู้มากคนรู้มากคืออย่างนี้คนมากมากอย่างนั้น ไม่เหมือนกันพอรู้มาเนี่ยมาแต่อย่างนี้เวลานั่งในรถในเรือก็เอาของมาตั้งการท่าซึ่งแทนที่จะนั่งด้อีกสองสามคนก็พยายามนั่งเสียคนเดียวนี่คือคนเห็นกกะตัวคนเอารัดเอาเปรียบเพื่อนเป็นอย่างนี้ละหนอปาปิาดฉาอยากลามกส่วนปาปิดฉานั่นแปลว่าอยากลามกคืออยากได้โดยวิธีต่ำๆเร็วๆ ใครจะตีเตียงใครจะดูเหม็นเหยียดหยามก็ช่างให้ตัวได้เป็นก็แล้วการเช่นขอทานเขาเลี้ยงชีวิตทั้งทั้งที่ร่างกายก็สมบูรณ์แต่ไม่ยอมทำงานหรืออาชีพ บ, บางอย่างที่เรียกกันว่าขายตัวก็ความอยากกลามกในท่านปลาปิฉานี้ถ้าไม่ยับยัง้งไว้ปล่อยให้กาเนิดต่อไปก็จะกลายเป็นโลภะโลภะความอยากได้โดยวิธีชุจลิติผิดจริง ว่าโลภะนั้นหมายถึงว่าอยากได้ในทางทุจริตปิดจิ้งทำเป็นไปเช่นไปเที่ยวรักขโมดต้นสดมหรือขอล่าบางหลวงในตอนท่านทั้งหลายพึงทําความเข้าใจว่าความอยากที่เป็นโลภะนั้นจะต้องแทรกทุจริตอยู่ในความอยากนั้นด้วยเสมอถ้าไม่มีเคถ้าไม่เคสจะทําในทางทุจริตแล้แม้จะอยากเท่าไหรก็ไม่เป็นไม่จัดเป็นโลภะ โทษของความโทษของความโลภอัอหนึ่งความโลบที่ใช้ว่าจะให้โทษเฉพาะเพื่อเมื่อตายไปแล้วก็จะหาไม่แม้แม้ขณะยังมีชีวิตอยู่ก็ให้โทษเริ่มต้นแต่ทําใจให้เราร้อนกระวนกระวายเพราะถูกความอยากแผดเผ า, าทําให้เกิดกำเนีไม่กล้าทิ้งศลัไม่กล้าทําบุญให้ทานบางทีก็โลกมาก เลยพลอยทำให้สมบัติเป็นวิบัติไปก็มีตัวอย่างครอบครัวหนึ่งมีพ่อแม่และลูกสาวต่อมาพ่อตายไปเกิดเป็นเป็นโหรทองไฟทางครอบครัวก็ยากจนลงทุกทีโหงทองสงสารจึงอุก ษ, ษาไปสลัดขนให้ครั้งละหนึ่งขนแม่ลูกก่อได้อาศัยขนทองคำนี้ขายพอประทังชีวิตตึกมาไปหลังแม่ก็เกิดโรค มากเห็นว่าที่หงทองมาสลัดขนให้ขรั้งละหนึ่งขนนั้นน้อยไปไม่พอตั้งตัวจึงปึกษากับลูกสาวแต่ลูกสาวคัดค้านไม่เห็นด้วยแต่แม่ไม่ฟังเสียงวันหนึ่งเมื่อหงทองมาสลัดขนให้ตามที่เคยปฏิบัติมาแม่ก็แอบจับแล้วก็ถอนขนจนหมดตัวแต่น่าอเจรรย์ขนเหล่านั้นแทนที่จะเป็นทองคำกลับกลายเป็นขนธรรมดา จึงเอาขังไว้โดยคิดว่าเมื่อขนล่อขึ้นมาใหม่คงจะเป็นทองตามเดิมแต่อันนี้จังเ อ, อ๋ยทุกขังอนัตตาเอาเป็นอย่างที่เธอคิดไหมเพราะเมื่อขนล่อขึ้นมาใหม่ก็เป็นขนธรรมดานี่แหละตําราที่ว่าโลภมากลาภหันคนชอบโลภมากกเ็กเกินยุคใหม่สมัยนี้วิธีปฏิบัติเพื่อลบความโลภทำอย่างไร ท่านที่ได้ฟังตัวอย่างนี้แล้วควรพยายามลดความโลภลงเสียบ้างโดยวิธีมั น, ม, นมันเสียสละให้ทานมันให้ทานมันทาบุญท่านว่าคนที่สมบัติมากๆนั้นใช่ว่ามีความสุขเสมอไปบางทีทุกกว่าคนจนเสียอีกเพราะต้องเป็นห่วงทมบัติกลัวโจรผู้ร้ายกลัวไฟไหมจะไปไหนก็ไม่สะดวกรวาวะผวาห่วงหน้าห่วงหลัง คนร่ำรวยบางคนไม่มีเวลาร้องเพลงร้องคิดแต่จะหาเงินท่าเดียวเรียกว่าโถมไม่เต็มพอไม่มีความจริงถึงจะมีบ้านใหญ่โตจากเท่าใดที่นอนจริงๆก็แค่สื่อศอกเท่านั้นเองอาหารก็แค่อิ่มเดียวถึงจะมีสมบัติล้นฟ้าตายแล้วก็เอาไปไม่ได้ครั้งหนึ่ง้ารัฐบาล้ารัฐบ า, ถาลถีละได้ ท่านได้แสดงธรรมถวายพระเจ้าโกรับพระยะตอนหนึ่งว่าอูโนโลโกโอะติตโตตันหาทาโซแปล ว, ว่าสัตว์โลกมีใจพร่องอยู่เป็นนิดเป็นท่าแห่งตันหาท่านผู้รู้ท่านจึงเตือนคนที่โถมไม่เต็มว่าความไม่พอจนเป็นคนเข็มพอแล้วเป็นเศรษฐีมหาศาลจนทางนอกทางในไม่ได้การ จนคิดอ่านแก้จนเป็นคนพอที่กล่าวมาทั้งหมดนี้คือวิธีบรรเทาความโลภให้แก่เราได้แต่ละทีสองละจากโทสะโปรดความโปรดนี้จากนี้ก็ถึงอันดับที่สองอันว่าโดยโทสะตามบาปบาลีที่ว่าโทเสนะนิรายางขดเทปแล้วว่าจะไปนรกก็เพราะโทสะเรื่องที่จะนำมาเล่าประกอบนี้มาในคำพรีรรมบทขุดนิการ เราทึงนายพลานชื่อกกะเช้าวันหนึ่งเข้าไปสู่ป่าพร้อมด้วยจับสัตร์บังเอิญไปสวนทางเข้ากับพระเถระที่กำลังบิณฑบาตอยู่นายพลานโกรธมากเพราะถือว่าเป็นโชคร้ายรากฏว่าตลอดทั้งวันนายพลานไม่ได้สาตร์เลยเขาก็รีบกลับบ้านก็กลับไปก็สวนทางกับพระเถระลูก น, นั้นอีกโกรธเก่ายังไม่ชันหาโกรธใหม่ก็ โหมสซ้ำขอมาอีกจึงยุสุนักให้กัดพระพระเถระลีเปีงเกินไปต้นมาแม้กระนั้นนายพลานก็ยังไม่ลดละเอาหอกแทงพระเถระทั้งเท้าซ้ายเท้าขวาตลอดการแม้ท่านจะอ้อนวอนขอชีวิตนายพรานก็ไม่ฟังเสียงท่านได้รับทุกข์ทรมานเจ็บปวดจนสิ้นสติจึงจะขอจึงละของท่าน คือจีบอลของท่านก็หลุดล่างลงมาคลุมล่างของนายพลานพอดีพอพอดีสุนักก็เข่าลุมกัดกินเนื้อเหลือแต่กระดูกพอท่านได้สติจึงให้สัญญาแต่สุนักพอมันรู้ว่าตัดผิดคนเลยพาก็วิ่งหนีเข้าป่าปนพระเทละคอยตายลงจากพ้นไม้ด้วยความลำบากเป็นอย่างยิ่งแล้วไปเฝ้าทูลถามเรื่องนี้แต่พระพุทธเจ้าว่าถึงท่านจะถามหรือไม่ พระอง์กาวว่าสิ่งเธอยังไม่ขาดหลอกเพราะไม่มีเจตนางเขาทําของเขาเองเวลานี้นายพลนก็ตายไปแล้วไปอยู่ที่นรกแล้วหน้บัดนี้อันหนึ่งโทสะหรือความโกรธนี้ซึ่งเป็นกิเลสเคลือเดียวกันเพื่อเกิดเมื่อเกิดขึ้นกับพลายแล้วก็เหมือนกับโจรที่เขามาปล้นเอาขอความดีของผู้นั้น่านเริ่มตแต่ทําจะทําให้ใจเล้าร้อน ระวนระวายผิดบางสติปัญญางหมดความรู้สึกผิดความเห็นชอบเห็นดีผิดชอบชั่วดีร้อมทั้งเข้าไปอเป็นบังคับให้ทําในสิ่งที่ไม่ควรทํบาบังคับให้ในสิ่งที่ไม่ควรจะพูดหากหลังนับไว้ไม่ได้ก็จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นถึงกับทํำลายชิงการและกันผลก็คือชีวิตและคุกตลาด ความโกรธไม่เคยให้คุณประโยชน์แก่ใครเลยมีแต่ให้ทอดให้ทุกข์กระฐานเดียวทิศของความโลรดยังทำให้ผิวพ่านเส้าหมองทำให้เสื่อมเสียศักดิ์ศรีเสื่อมความเคารพนับถือทำให้กินไม่ได้นอนไม่หลับและเสียเกียรติยศชื่อเสียงของความเป็นชาวพุทธอีกด้วยท่านว่าชาวพุทธที่ดีนั้นยอมยอมไม่ยอมเป็นทาสของความโกรด หากจะมีบ้างตามวิสัยของปุ่ถุชนก็ควรเก็บไว้ในใจพยายามข่มไว้ด้วยขันติความอดทนที่กำหนดว่าโกรธหนอโกรธหนอโกรธเนอคือคมตั้งสติให้เราลึกอยู่เสมออย่าไปโกรธเขาอย่าไปโกรธตัวเราโกรธเขาโกรธเราโกรธเราโกรธเขาได้อย่างไรขันติตามด้วยการกำหนดกรรมฐานจะเกิดเมตตา เราละงับความโปรดได้เพราะอาศัยเมตตาปราณีอาลีเอื้อเฟื้อขวาหัวไปดูกันในคำพีพระธรรมบทกุฏนิกายท่านเล่าถึ ง, งานางอุตลาอุบาตกาศถูกนางศรีมาหญิงแพทย์สยาที่นางจ้างมาเพื่อให้บำเริญสามีแต่นางเผลอสติเข้าใจว่าเป็นภรรยาของท่านเศรษฐีแล้วประกอบฤทธิ์หึงหวงเข้าไปถึงตักน้า ม, มันที่กาลังเบือดราก ลงบนทึกษาของนางอุตลาแต่ด้วยอํานาจเมตตาจากกรรมาฐานว่านางนั่งกรรมาฐานด้วยอํานาจเมตตาโดนบรรดาให้นางปลอดภั ย, ยและก็ไม่ไม่โกรธนางสิมาด้วยซ้ำยังห้ามหญิงบริวารไม่ให้เข้าไปทำร้ายนางอีกด้วยเพราะคุณธรรมอันนี้คือเมตตานี่เองสิ่งทําให้นางสิริมาได้สํานึก ทองเข้าไปหมอบแทบเท้าของนางอุตราล้อมกับขอโทษแต่นางกลับขอร้องให้ไปขอโทษกับพระพุทธเจ้านางก็ปฏิบัติตามข้าความโปรดได้แล้วยอมอยู่เป็นสุขฉะนั้นด้วยการเจริญประกรรมาฐานตานทั้งหลายเมื่อได้พิจารณาเห็นโทษของความโปรดเช่นนี้แล้วทรงพยายาม ถ้าความโปรดใช้เมตตาธรรมส้ำมาปฏิบัติในการเจริญสติปัฏฐานสีเมตตาธรรมก็จะเกิดขึ้นกับท่านทั้งหลายก่อนที่ความโปรดจะข่าเราเพราะท่านว่าโอทางคั ต, ตาวาถูกรังเกือข้าความโปรดได้แล้วยอมอยู่เป็นสุกฉา น, นละทีที่สาลจากโมหะหลงทีนี้ก็ามาถึงอันดับสามอันว่า้วยเรื่องโมหะ ตามพระบาลีที่ได้ยกขึ้นตั้งไว้ในขัางตอนโมเหนฤฤษษะสิระชานโยนี้เรอว่าจะเกิดเป็นสัตว์สิรชานก็เพราะโมหะความหลงหงมงายเพื่อเป็นหลักฐานจะขอยกตัวอย่างมาประกอบโดยนำเรื่องนางสุชาดามาเสนอพอเป็นอุทาหรณ์นางเป็นภรรยาของนายมาทะมโนบน้อยเธอเป็นคนรูป่างสวยเธอเลยหลงในลูก สวยหลวงผิดคิดไปว่าเธอเป็นภรรยาของนายมาธะมน์ซ้ำเป็นญาติกันอีกด้วยจากนั้นเมื่อสามีทำบุญภรรยาก็ได้บุญด้วยเข้าใจอย่างนั้นเธอจึงไม่สนใจที่จะทำบุญอะไรเลยทั้งๆ ท, ที่สามีอุตส่าห์ชี้แ จ, จงชักชวนอยู่เสมอแต่ไม่เกิดผลด้วยเหตุดังกล่าวมานี้เมื่อเธอตายแล้วจึงไปเกิดเป็นนางนกยางอยู่ที่ซอกเขาอย่างหนึ่ง ส่วนมาครับวัตตบทคือหนึ่งเลี้ยงดูบิดามารดาอย่างดียิ่งไม่เหตุตกละตามลำบากแต่ประการใดสองเป็นคนมีคุณภาพอ่อนน้อมอ่อนหวานเคารพผู้ใหญ่ในตระกูลวงศ์ของตอนไม่ลบหลู่บุญคุณแต่ประการใดสาผู้จาไพเราะอ่อนหวานสีผู้สมานสา ม, มัคคีม่ยุยงให้ใครแตกสา ม, มัคคีกัน ห้าไมตรีที่เหนียวมันทำบุญทำทานแล้วหกมี จ, จัตจ้าูดจริงทำจริงเจ็ดไม่โกรธใครข้าความโกรธไ ด, ด้ถึงจะโกรธก็ไม่ช้าก็หายไปนี่เป็นคุณสมบัติเจตประการของมาคามานกน้อยประการนี้เธอก็ได้ปฏิบัติตลอดชีวิตและยังเป็นนักพัฒนารักษาความสะอาด สร้างถนนสร้างศาลาสำหรับให้คนพากลิมทางโดยได้รับความร่วมมือจากบุคคลในครอบครัวและไม่เสหายเป็นอย่างดีตลอดมาด้วยอานุภาพแห่งบุญกุศลเหล่านี้เธอจึงได้เป็นเกิดไปเกิดเป็นพระอินทร์เวล่ยวิทรปสมบัติอยู่ในสวรรค์ท่านดาวดึงชาวคณะที่ทำบุญร่วมกับเธอ ก็ได้ไปบังเกิดในสวรรค์เช่นเดียวกันเมื่อพระอินตรวจดูทิ่ประชมบาดทุกอย่างก็บริบูรนดีขาดแต่นางสุชาดาเท่นั้นร้านทราบว่าบาดนี้เธอไปเกิดเป็นนางนกยางแล้วองค์จึงเสด็จทรงไปแนะนําให้นางรักษาสินห้าเพราะอานิสงส์จากสินห้าปฏิบัติธรรมนางรักษาทรงผลให้ในชาติุดท้ายได้ไปเป็นอั ก, อกอคคะมเหสี ของจั ก, กรลินเทวราดังที่กล่าวมาอั น, นึ่งโมหะความหลวงนี้ยังเป็นเหตุทําให้คนหลงทํากรรมหนักขึ้นถึงขั้น อ, อ น, อนอันตเรียกรรมได้ฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้ฆ่าภูมิบุงคุณได้ตัวอย่างประวัติของพระโมกขลานะในอดีตสมัยเมื่อท่านเป็นชาวชายหนุ่มได้ภรรยาที่นิสัยไม่ดีค อ, อยยุโยงสามีให้เกลียด บ, บิดามารดาซึ่งตาพิการ บิดามารดาตาพิการด้วยความหลงภรรยาเลยลวงเอาบิดามารดาไปทุบเสียในกลางปากรรมอนันหนักหนกนี้เองติดตามท่านมาตลอดเวลาจนถึงข้าที่เป็นประมหาหมูมคลานะทำนั้นยังแฝงมาอยู่ในรูปของโจนห้าร้อยมาฆ่าท่านจนเข้าสู่นิพพานนี่แหละผลแห่งโมหะความหลงขึ้นเชื่อว่าความหลงแล้วไม่มีดีทั้งนั้น ไม่ว่าจะหลงรักหลงชังหลงลูกหลงหลานหลงสมบัติพัฒฐานหลงอำนาจวาสนาหลงยศถาบรรดาศัตด์หลงความหลงเหล่านี้แหละทําให้ลืมทุกสิ่งทุกอย่างลืมความแก่ลืมความเจ็บลืมความตายลืมบุญลืมกุศลลืมกระทั่งตัวเองท่านเปรียบคนหลงเหล่านี้ว่าเหมือนไก่ในเขน ที่เขาขาังไว้เพื่อฆ่าเป็นอาหารแต่ไก่เหล่านั้นหารู้ไหมว่าทั่วเวลาไม่ช้าก็จะต้องโดนถูกเชื่อคอเล็กไกเหล่านั้นยังทะเละวิวาสจิกตีกันยังโกงคอขัน e H H เอ๊ะเอ๊ะอยู่ความส้ำเริ่งความส้ำราญอย่างทึกขนองแต่ช่างเถอะนั้นเป็นเรื่องของไก่ซึ่งเป็นสัตว์มิลืฉาน ไม่ได้ศึกษาเราเรียนอะไรส่วนคนเราหนี้หนอผู้มากด้วยความรู้มากด้วยคงกระเรียนก็ยังเต็มไปด้วยโลภะโทสะโมหะอย่างสมแพทย์เวทนายิ่งนักหนาหนอธรรมโอสดเพื่อละความโลภความโกรงไม่เกินการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเจริญสติปัฏฐานทีี กายานุปัฒนากายยนเดินนั่งนอนมีสติไว้พิจละนาเวทนาไว้อย่าหลงและก็โมหะเกิดขึ้นกำหนดผิดรู้กำหนดผิดมันจะหลงงมงายตลอดไปทั้งสามประการนี้ถึงจะได้ถอนด้วยความธรรมโอทรดของพระพทธเจ้าดุจการเจริญติปฐานสีสามารถจะรู้ความโลกความกอดความหลงได้เราจะโลก การไปถึงไหนจะโกรธกันไปถึงไหนจะลนหจะลงกันไปถึงไหนเพราะไม่ชาต่างก็จะจากกันไปแล้วไม่มีใครจะอยู่คำฟ้าดอกดังนั้นจงมากันช่วยกันบรรเทากิเลจทังสามด้วยมาเจริญวิปัสสนากรรมาฐานกันเถิดประเสรที่สุดอะไรจะดีเท่าทานศินละภาวนานทำให้จิตใจเบิกบานทั้งสา เกลีดสามกองนี้จะได้ลดน้อยถอยลงไปด้วยมันนึกถึงความตายไว้เสมอท่านทั้งหลายได้ชี่แจ้งแสดงมาในเรื่องกรรมฐานว่าความโรคความโกรธความหลงก็ตามความที่จะมีอยู่ในกุศลบุญญาลาีแต่ท่านทั้งหลายก็ตามมาเจริญกรรมฐานตั้งสติจำปัญญะทุกรการลมให้ใจเข้ารู้ หองหนอยุกนอยืนหนอห้าครั้งมีอะไรก็กำหนดโกรธนอเสียใจหน อ, หนอดูใจหนอตลอดเลยการเราจะได้เห็นกับความตายในชีวิตอย่างมั่นคงทวารท่านศาสตร์ชาสมช่าจตคูณศาสนารบคนถ้าย็นแต่งก่อนไว้ว่าระลึกถึงความตายสบายนับมันหักลักหักหกลงในสงสาร บรรเทามืดโมหันอันธก า, ารทำให้หารหายสะดุ้งไม่ยุ่งใจแต่ท่านทั้งหลายอังคาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเวลาใดทำใจให้พองแผ่วเหมือนได้แก้วมีค่าชูราสีเวลาใดทำใจให้ลาคีเหมือนมณีแต่หมดลดราคาอันความสุขทางใจนั้นหายาก คนส่วนมากไมช่ชอบจะแหวงหาชอบจะแหวงหาแต่ความสนุกเพียงหูตามันจะพาชาติตรูงให้ยุ่งใจเนี่ยท่านทั้งหลายพระพุทธเจ้าจอมปราดได้กฐานธรรมโอชดที่การเจริญประกรรมฐ า, านมีพุทธาหนูภาพขัมมานูภาพทังค า, านุภา พ, าภาพสาหรับแก้โลกโลกกรดหลงให้ประกอบในอภินาปัจเวะขณะกรถา ตอนหนึ่งว่าตอนหนึ่งมราณาธรรมุมฮีเรามีความตายเป็นธรรมดามรณาางอาณตีโตห่วงพ้นความตายไปไม่ได้นี่คือยาอันวิเศษที่พระพุทธเจ้าประทานว่าดังนั้นจึงขอให้ ท, าาท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายทั้งบรรพชิกยาคเิหัสโปรดได้นำยาขนาด น, นี้การกรริญพระกรรมาฐาน มาใช้แล้วโลกภัยข้เจ็บท่านก็จะได้หายโลกกายนอกโลกกายในทั้งโลกโปรดโลกโปรดลกควาโลกโปรดหลงกิเลสสามประการนี้จะค่อยๆทุลาวเบาบางลงแล้วความร่มเย็นเป็นโชกก็จะพลานบางเกิดขึ้นสมดังความปรารถนาทุกประการดังอัตมาภาพที่แจงแสดงบรรยายมา เหลืองความรอบกว่าโปรดหลงอ่อสมควรแก่เวลาเพราะุติการลงคงไว้จะเพียงนี้เอวังก็มีโืยพระกาลสนีตามหลักพระพุทธภาสนาท่านสอนไว้ชัดเจนและว่าทานธุนภวนามีการให้ การรักษาสามระดับกันในการปฏิบัติธรรมการบริจาคทานทของทายกทายกาทายกทายกาแปลว่าผู้เสีอสละสถิตปัจจัยและกัปปิยะพันธ์เอามาถวายในถ้ากลางสงหรือเสีอสละผู้ทั่วไปในการบําเพ็ญบุญบําเพ็ญกุศล ทางพระพุทธศาสนาท่านเรียกว่าทายกและทายิกาคําว่าทายกทายิกานั้นเป็นผู้เสียสละแล้วเป็นผู้ให้แล้วเป็นผู้เพื่อยแล้วเป็นผู้สร้างความดีให้ซึ่งกันและกันแล้วเรียกว่าทายกเรียกว่าทายิกา อย่างนี้เป็นผู้ให้ผู้เสียสละก็เรียกว่าทายกพายิกาเป็นต้นแต่การให้การช่วยการเสียสละนี้ก็เรียกว่าการบำเพ็ญทานนั่นเองเยกตัวอย่างเราจะทำบุญบ้านขอธุลิมงคลจะประสงค์ให้ตัวเองจะเจริญตูกบ้านใหม่ก็ฉลองกันบำเพ็กุศลกัน เจ้าของบ้านนั้นก็เรียกว่าทายกยิกาเป็นผู้ทําบุญเป็นผู้เสื้อสละเป็นผู้ให้และื่อยได้โดยตนเองแล้วก็ให้ชื่อสยาว่าทายกยิกาเป็นต้นแต่ผู้ปฏิบัติธรรมในพระพุพัฒนศาสนาก็เรียกว่าอุบาสกเรียราอุบาสิ ก, กายอมปฏิบัติและรับข้าไว้ ซึ่งศีลอุบโบสถมืงกำหนดเองแปแประการและกรรมบทสุดครบทึงเรียกว่าอุบาสกุบาติการักษาวิจิตใจมีความหมายอย่างนั้นอุบาสกบาชิกานั้นรักษาศีลรักษาอุบโบสถก็เรียกว่าการปฏิบัติธรรมในคธรรมะปฏิบัติมุงขาหวหงขาว ก็ถือว่าบวชเป็นการบวชเนื้อขัมมะปธิบัติถ้าปฏิบัติทำแล้วก็เรียกอุบาสกบาจิกาแสดงตนเปนอุบาสกบ้างแสดงตนเป็นอุบ า, บาจบาิกาบ้างได้รับกรรมฐานแต่สมาทานศีลสมาทานกรรมฐานนั่นแล้วก็เอามาประพฤติตนและปฏิบัติท้าตน ตัวเองก็มีธรรมะมีสิงหสมาธิปัญญาอยู่ครบเป็นการกําหนดจิตใช้กระสติปัญญาจเจริญปฏิปทานสืน่อมรรคตรีอริยัรีก็มีสิงห์สมาธิปัญญามีสติเัมปรชาญญาะควบคุมจิตไว้ให้ได้นั่นคือควบคุมจิตไว้ได้ดีแล้วกระถือท่านเหล่านั้นมีธรรมะแล้ว มีการปฏิบตีปฏิบัติรอบแล้วเป็นมหาสิริแล้ว <c oughs> นั่นก็เรียกว่าองค์ภาวนาการภาวนาเนี่ยต้องการจะให้มันผุดขึ้นมาให้ใจสะอาดในเรื่งสิบเรืจองมีประโยชน์สำหรับที่ปฏิบัติธรรมมากไม่ใช่น้อยแต่การทำถวายฉงองทานสังฆะแปลว่าถวายสงฆ์ไม่จะเกาะตรงกับพระสุขหนึ่งลูกใดก็หามิได้ ถวายเนี่ยข้ามต่างสงการถวายสงก็คือมาจาะตรงเลือกว่าสังฆทานถ้าถวายโดยเจาะตงเลือกวัดบุคลิสทานบุคลิสทานเนี่ถวายแต่หน่วยเดียวและท่านเดียวองค์เดียวก็ได้บุญไม่ใช่ว่าไม่ได้แต่ได้ไม่มากได้มากก็สังฆทาน ให้ทานทั่วไปไม่เจาะตรงยกตัวอย่างให้การเห็นสร้างถนนเอื้นอาทรสนระโยชน์ติบ่อน้ำให้ขลับทานทั่วไปไม่เจาะตรงหรือสร้างโรงทานเป็นต้นส่วนขยอยชนุนดอนพระพุทธเจ้าขยวยประช่าเป็นขยอยชุงดอนให้กระต่างโรงทานให้ทานทั่วไปทุกอย่างตลอดกระทั่งเครื่องสนินทพิมพาพรใหท้ทางข้างทางปัจเจกหน้า ให้ยาจกวันมีพกเท่าไหร่โดยที่มาขอก็ให้ทานบางอย่างไม่ขอก็ให้ทานบางอย่างขอถึงจะให้การให้ทานนี้ก็ตามขอเจรินพรท่านบูบาจกมตดิกาทั้งหลายถ้าเราให้ของเขาไม่ดีไปเราจะได้ไหมของไม่ดีกลับมายกัวอย่างอะตมานี่เอง บวดใหม่ๆ ม, มีผ้าป ร, ยรายอยู่สามปลายถวายล้องตาไปแล้วก็มาชาวว่าผานีัเนขาดมันขาดมาจากร้านขาต้องตาก็ะหมม่มมได้แถ้าเราไปบางสกุลกลบมาตีข้างตีคราวก็ได้ผ้าขาดมาทุกครั้งอันนี้ทานก็เหมือนกันทานโดยเจตนาของท่านคืบริจาของนั้นก็บริสุทธิ์นี ต้องบริสุทธิ์ทั้งของเครื่องวัตถุคยาทานต้องบริสุทธิ์ทั้งจิตใจด้วยแล้วเจตนารุ่งข่านก่อต้องบริสุทธิ์ด้วยหรือมาถวายครั้งนี้นั้นคำว่าบริสุทธิ์กวหมายของวัตถุทานนั้นก็ต้องบริสุทธิ์ได้มาด้ความครอบธรรมไม่อย่ามาเดี๋วไปโกงใครเข้ามาทาด้วยความเหนื่อยยากจึงบริสุทธิ์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 ทานธรรมดาทานที่สูงตอนนั้นแล้วก็ให้ในวังผลตอบแทนจะเอาไปทิ้งไปกว้างอย่างไงก็ตามใจไหนมาบริจาคแล้วก็ชื่นใจดีใจบริจาคไปแล้วพนาบริจาคนี้ก็สบายโอสบายใจหลังจากบริจาคจากแล้วก็ชื่นใจในทานการกุศลที่ตนบริจาคแล้วได้กระทําแล้วทานได้กระทําแล้วทั้งอดีตที่ผ่าน ม, มา เวลานาคตเราก็าเแคลใต่ชลาเะไไ็บเลยหวยป่วยไข้ประการใดก็นึกถึงทานไวที่เราได้ทำบุญไว้ครั้งอดีตเมื่อชาติปางก่อดตลอดเลยการปัจจุบันนั้นเราก็ดีอกดีใจขึ้นใจด้วยบุญกุศลที่เราทำชาให้กับตอนเป็นประการสำคัญนึกถึงบุญนึุถึงทางนหรือภาวนาไว จะเราเคยมาปฏิบัติกรรมฐ า, านบำเพ็ญปุจภพวนาและษาบโบสดงดเว้นสิ่งทั่วลาสามานทั้งหลายจิตใจก็ใสสะอาดบริสุทธิาาท์ทานให้ท่านถึงจะบริสุทธิ์ด้วยทานบริสุทธิ์ทุติยจักจิกก็บริสุทธิ์จิกจะบริสุทธิ์ได้ต้องสมาฐานศีลบำเพ็ญศูลจิกจะสะอาดหมดส ด, ดได้ก็ต้องภาวนาจเจริญสติปัฏฐานซูง กายกายเวทนาจิตธรรมทาเมื่อมีสามประเภทติตการสำหรับคานปฏิบัติทางข้อตอนคือให้ดูเชื่อไม่เป็นรายให้ไปอย่างนั้นให้ไปหวังผลจะการแทนได้บุญแล้กุศลให้กับตัวเราหรือให้เพื่อหวังผลจะแลกเปลี่ยนเป็นต้นทานข้อที่สองอย่างกลางให้แล้วไม่หวังผล ตอบแทนแล้วไม่ต้องการอันใดอยู่ต่อไปให้แล้วก็เลิกกันไปไม่จดไม่จำไม่จำไม่จดไม่จดไม่จำเพราะว่าทานนั้นไม่หวังผลตอบแทนทางขั้นสูงของภาวนาจากบำเพ็ญกิจภาวนาแล้วจิตก็จะสะอาดบริสุทธิ์ทานก็บริสุทธิ์เจตนาออกมาก็บริสุทธิ์เพราะจิตจะสะอาดเพราะเรามาบำเพ็ญศีล ปฏิบัติกรรมฐ า, านจิตใจก็สูงขึ้นไ่ตามอยากทั้งผานสามารถจะกำจัดความทุกข์ตัวได้หวังผลไปสู่มรรคสุผลจากสมบัติมนุษย์เรียกว่าส ม, มบัติมนุษย์สมบัติหวังผลไปถึงขวานสมบัติสุดมุ่งมากจากธนามุทานาุสมบัติได้ เหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าสราาุปประชตาเป็นพระยชน์ชนดอนไม่วังผลโดๆสร้างเครื่องขระดิ่พิมพาพรก็ถอดให้ไปได้สร้างพระมงกุฎไปยืนเดนทุกะก็ถอดให้ไปทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดมี่หวังผลพระโพธิญาณในานาคประการเบื้องหน้าต่อไปไม่จำเป็นต้องคอยอย่างนั้นเคออนยเนศในยนา ก็ให้เป็นทานได้ควักออกไปได้ดวงจิตดวงใจาอาศัยสอาดก็สา ม, มารถให้ทานได้แล้วตาทั้งสองข้ามได้แต่พระทาลีลกับกรรมฐานดวงจิตดวงใจนั้นคล้ายกับเพื่อนกุคคลิกร่วมชีวิตกันมาคือแม่พระม ส, สีก็สา ม, มารถให้ทานไปได้เช่นเดียวกันอันนี้ทานท่านสูงที่สุดแล้ว สร้างความดีหวังครับ้นโพธิญาณในนาคตการเบื้องหน้าสุดร์ต่อไปทานตรงมีหลายประเภทที่เราถวายทั้งอาหารถวายผาป่าถวายกระถินมีคนแย้งกันว่าอนุสง์กระถินดีหรือผา ป, ป่าดีบางท่านก็ว่าวผาป่าอ น, นุสงสูงกว่ากระถิ่นบางท่านกล่าวกระถินสูงกว่ปปาผาป่าไม่ใช่อยู่ตรงนั้นอยู่ที่เกิดกัม น, นา ของท่านบางคนทําบุญมากม า, กายไถ่กองแต่ไม่ได้บุญเลยจิดไม่มีความสุขใจไม่สบายแลื่อนได้ทานน่าจะช่วยได้ไหมถ้าทานไม่บำเพ็ญศูนย์ไม่มาเพ่งจิตภาวนาแล้วมันก็ไม่สามารถจะช่วยได้เช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าจึงบอกทาให้ครบสามวาระทานแล้วก็ศูนภาวนาทาน เราให้กันเพื่อไปเป็นธรรมดาแต่ศีลปฏิบัตินี่จะได้แต่ตัวเองมีภาวนาขึ้นก็จะเกิดเมตตาจะให้ทานท่านผู้ใดก็เอาของดีให้ของเสียจะไม่ให้ให้ดีเขาไปได้ดีตอบแทนมาให้ของเคื่อเขาไปก็ได้ของเคื่อตอบแทนมาถ้าทำให้เครื่องครบตามกำหนดหตามวาระแรวก็มีทานศีลและภาวนา ถ้าคนไหนมืออัจฉายใสน้ําใจงามและเป็นศิลได้ง่ายถึงจะเอาทานออกหน้าถ้าหากว่าอัจฉสัยะใส่ไม่ดีไม่สนใจจะให้ทานไม่สนใจเม่ตาจะเพื่อยเหลือท่านพูดใดเลยก็ไม่สา ม, มารถจะเข้าถึงองค์ศิลได้แต่จึงเอาทานออกหน้าไปอันดับหนึ่งขอที่พึ่งแห่งของคือขุดเป็นขุดสอนมือศิลมือสมาธิ จิตใจก็สะอาดหมดโสดคานของท่านก็บริสุทธิ์เจตนาก็บริสุทธิ์ภาวนาเขาหยุดเจริญกุศลภาวนาทานนั้นก็ได้ผลเห็นทันตาเพื่อการทําด้วยความตั้งใจทำด้วยจิตป็นกุศลทำด้วยอารมณดีมีปัญญาไม่หวังผลจะแลกเปลี่ยนแ บ, บะการใดเราสามารถให้ทานอันนี้บุเชกผล ให้แตดิดามันดาปู่ย่าตายายหรือผู้ศึกษาจากโลกไปแล้วสู่คำเหรียพบหรือท่าน ป, ป่วยจะเป็นดิดามันดาปู่ย่าตายายที่จะเป็นญาติพี่น้องท่องเดียวกันสายโดยสุดเดียวกันก็นกตามถวายสังฆทานให้เพื่อให้เจ้ากรรมไม่เวรเจ้าเวรไม่กรร ม, รรมทานั้นอาจจะได้ผลในปัจจุบันถ้าจเจริญกรร ม, มาฐานด้วยแล้ว ทานจะเห็นทันตาในอปัจจุบันนั่นเองแต่เราไม่สามารถมาเปลี่ยนจิตกับภาวนาได้ทานนั้นอาจจะลาชาอาจจะไม่ได้ผลทันทีแต่ประตานได้จิตนี้เป็นกุศลมาหากุศลมาหากุศลฝึกป่าเกิดขึ้นกระดวงหะไทยใช้ ส, าสอาดไม่ได้ทานนั้นจะส่งผลทันทีในปัจจุบันในขณะนั้นจิตใจก็สบายจิตใจก็มีความสุข ดาสจากทุกสมมาตฐานาทุกประการก็ขออนุโมทนาสาธุการแก่ผู้บวชเนคข ม, มะปฏิบัติและเยวมทุตถวายท่นานทานในโอกาสนี้วศนะ์ผมเป็นมหาปุชชนบนบันไดที่ความตัง้งใจมาตัง้งใจจะถวายทานให้แก่ใครผู้ที่ให้แก่บิดามันดาหรือผู้เป่วยหรือผู้ตกยากไร่อยู่ที่ไหนประการใด หรือเจ้าเวรในกรรมเจ้ากรรมในเวนจรจงมารับส่วนอุกโศนของเราหนะน้าบัดมียักษ์เทพันเตยสังโกส่วนหนึ่งขอบูชาพระพุทธเจ้าส่วนที่สองขอถึงพระสงฆ์ส่วนที่สามขอทิ้งถึงที่ทรงศูนย์ทรงธรรมผู้ปฏิบัติกรรมฐ า, านจะได้รับบุญอนุโมทนาส่วนอุกโศนรับใช้ย้อยเลื่อนตันคือประการที่มีสุสีในเหล่าจะขอทานอนนี้ถึงเตยจะทน เรื่องรับไปยาวาสู่ขั้เบอร์จพบจะมารับส่วนทานการอุทิศของท่านผู้บริจาคในโอกาสทันนี้เรื่อนที่ห้าต่อไปขอเจ้าเวรเจ้ากรรมจงโหสิกรรมเสียอย่าช่างเวรช่างกรรมต่อไปเลยจงงดเวรงดกรรมอย่าจองเวรจองกรรมกรรมชนะกรรมด้วยการอย่าจองเวรจองกรรมแต่ประการใดบริจาคติดใจ ยสละความชั่วจะเตื้อไปจะได้ไม่มีเวรมีกรรมมีภัยต่อตัวเองต่อไปตัวเองก็บริสุทธิ์ลาจากมุนงินโทษไปไหนก็สะดวกไปไหนก็สบายต่อดภยชุบกระชับสิ้นแต่จะมีชื่อพ่งติดตัวท่านไปคือทานศิลาวนาครบสามวัละจิตใจท่านจะได้เป็นมหาปุถุชนจะไปเกิดแทงโหนตมบนใด ท่ า, านปฏิบัติทำได้ด้วยบริจาคทานด้วยเสียชละได้ด้วยเป็นทั้งทายกเป็นทั้งขายิกาเป็นทั้งอุบาสกเป็นทั้งอุบาสิกาเป็นทั้งพิธีกรเป็นทั้งวิทยากรครบถ้วนกระบวนการแล้วจะไปเหนือมาได้จะเกิดแทงโหมจนโดนได้จะไม่ไปสู่อบายนากฟฟรกแต่ทุลกายจัตเตระชามแน่นอนที่สุด จะไปเกิดในถิ่นฐานบ้านในหมู่บ้านเศรษีมหาเศรษีจะดินังมีซื้อสุกต่อไปประการที่สองจะไปเกิดแทงหโหนตบนใดประเทศถิ่นฐานใดจะมียะวงสาคณาญาติเป็นนักปราบเป็นบัณฑิตตลอดประการจะมีลูกมีหลานก็ว่านอนสอนง่ายจุประการประการที่สามจะไปเกิดแทงหโหนตบนได้ในประเทศถิ่นฐานใดก็ตาม จะเติมไปด้วยเวชศาสตร์แพทยชาสตร์ปฐมพยาบาลอยู่ใกล้ชิดมีคนอุปการะมีคนช่วยเหลือตลอดกาลเวลาประการที่สี่นั้นแหละจะไปเกีแ่แทงโหนตะบนได้จะมีแต่มหาวิทยาลัยการศึกษาให้รู้โดยศึกษาเล่าเรียนและมีวิชาการในอนาคตการเบื้องหน้าถึกต่อไปประการที่ห้านั่นแหละ จะไปเตะแทงหนกนตะบนใดจะมีเครื่องครบพร้อมเดือยมนุษย์สมบัติพร้อมเดือยสวรรค์สบัตินิพพานสมบัติอนาน า, นาคตสุดท้ายก็ชะดือขบายปลอดภัยทั้งน้ำทั้งไฟเครื่องใช้บริขารเครื่องใช้การอันใดมีครบถ้วนขบวนตามไม่เดือดเนื้อร้อนใจจัดการใดจะทำอะไรก็ปลอดภัยไม่มีเสียเหือจังไลในข้อสุดท้า ไม่ที่เพื่อนชัสุขใจก็ได้มาจากทานสีนาภาวนาขออนมโมทนาสาธุการแกคณะเจ้ภาพและผู้บวชเนครธมะปฏิบัติในพระพุทธศาสนาขอให้ทาัง้งหลายเข้าถึงพุทธธรรมเข้าถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ปฏิบัติได้ขอให้ปฏิบัติโดยติดต่อเนื่องกันไปให้มันงเสมอต้อนเสมอปลายคนทําได้คาดีไม่ได้ดีแม้ไม่ดีก็กำ บ, บัง ความหมายความว่าทําไม่เสมอต้นเสมอปลายทําความดีผิดสฐานที่ทําความดีผิดตัวบุคคลทํลาทําความดีผิดกาลเวลาทําความดีไม่เสมอต้นเสมอปลายจะทําเสมอต้นเสมอปลายปฏิบัติกรรมฐานเสมอต้นเสมอปลายท่านจะได้รับผลอ น, นุสงส์สมมากศาสนาดังเด็กชี้แกนเรียงมาณบัดนี้ขออนุโมตนาสาธุ ก, การแก่ท่านทั้งหลายผู้ไข่ทา ผู้ใครบุญขอให้ทูลนนอุดหนุนทุลเจื้อให้ชีวิตท่านมีประโยชน์ในชีวิตในชีวิตมีค่าเวลาจะได้มีประโยชน์ต่อชีวิตของท่านที่มีค่ามีราคาแพงโดยตีค่าราคาไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่ไม่เหมือนเพชรนินจินดาตีราคาตามกรลัดตีราคาตามหนักบาทเป็นต้น ชีวิตนี้ไม่เล่นแพนชีวิตนี้มีแต่แผนถังชีวิตนี้จะอยู่ได้ด้วยความจเจริญฝุกฝึกเจริญวัฒนาสถาพรถุกตอบแทนขอความจเจริญรุ่งเรืองตรงมีแก่ท่านทัน้งหลายขอทุกขท่านตรงเจริญก็โดยอายุวันนาสุขาภละปฏิภาณถนาดสารสมบัติเมื่อเกิดจึงหนึ่งประการใด้สมมานจาัดธนาด้วยกันทุกข์ด้วยทุ ก, ทกนานณโอกาสบัดนี้เทิน ยถ า, าวาวาฮาราปริตุเรนตูชาคะลังเอวเมอวอิโต ท, ทินงังเปตานางอุปาปปตุวิจิตังปัิตังตุมหังปเมวะสมิตตุะเพรนตูังกัปปายัญโทป น, ะะาทา น, นัโะสดทานมณิโทตุลโสดคา I.